โดยโยยออกเสียงครึ่งนึโดยโดยแปลว่าสองสวดเลาะดีเนาะื กดีอันนี้สองของการเจริญมหาศจรรยที่เราเห็นชัดๆคือทรให้จิตเราตื่นทรให้จิตเราโปรทำให้จิตเราเบาสบายทรให้จิตเราตื่นรู้ทำให้จิตเราสว่างโล เพิ่มคุณสมบัติกับจิตของเราทำให้จิตของเราหนักแน่นแน่นหนามั่นคงทำให้จิตเราเป็นอิสระจากปัญหาอันในสงของการเจริญมาสติจะ ต, ต้องภาคเทียนต้องตั้งสติต้องพยายามตั้งสติ ต้องมองเห็นอ่านมีสงอย่าไปหวังว่าเราจะได้สีนู้นดีกว่าได้สี่นี้ดีกว่าที่นู่นจะดีกว่าที่นี่จะดีกว่าอย่างนั้นจะดีกว่าอย่างนี้ไม่ดีกว่าเราคิดอย่างนั้นเราคิดผิดสิ่งเลานี้เพื่อกลูณจิตของเราจิตเราอยู่นี้ถ้าเราเกื้อกูณให้กับจิตของเรา จิตขอเราก็ดีขึ้นละเอียดขึ้นผนิขึ้นเราไม่อยู่ในภาวะนี้สมมุติเราสึกไปหรือเราออกไปเราไปอยู่ในภาวะใดก็ตามเราก็สามารถเจริญได้เราก็สามารถทาได้เพราะวิธีนี้เป็นวิธีฝึกให้เราฉลาดฝึกให้เรามีจิตที่สงบฝึกให้จิตของเรามีปัญญาฝึกให้จิตของเรามีสมาธิ ฝึกให้จิตของเรามีความรอบรู้ฝึกให้จิตของเรามีคุณสมบัติเนี่ยคุณสมบัติที่ท่านพูดถึงนี่ท่านพูดถึงมรรคถึงผลนั่นเองแต่เราทำไงเราถึงจะได้มรรคผลเหล่านี้มาอยู่ในเนื้อมมือของเราเราจะต้องทําอย่างต่อเนื่องจักตามหลักจักตามหลักสมบพธาน คือความเพียรความเพียรในอริยมรรคมิยมแปดเราไปดูสัมประธานสังวรประธานผานประธานภาวนาประธานอ น, อนุรักษณาประธานไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะนอนเจริญสังวรประธานเอาสติเป็นตัวตั้งเป็นตัวเจริญตระหนักรู้กาย ถ้ามันไม่อยู่กับกายมันอยู่เวทนาตะลึกรู้เวทนาถ้าไม่อยู่กเวทนาก็มาอยบุบกับจิตตะลึกรูมาที่จิตจักอารมณ์ที่จิตอาศัยจิตตัวเดียวเนี่ยเป็นผู้ตื่นรู้รู้ทาให้เรามีความรู้สึกอยู่บนโลกนี้ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็มั น, ต, นต้นเสาต้นหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งอ่มีความรู้ ในตัวอะไรไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรแต่เรื่อเหตุที่จิตของเราตึงตื่นรู้ในขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งไม่ดีตามมาย่ําดีจิตของเราถ้าเราอยู่บนเส้นทางเส้นนี้เราพยายามตั้งสติเจาะมาที่กายเจาะมาที่เวทนาตราบที่เวทนามนันรุนแรงเจาะมาที่จิต สาบใดที่อยากดูกายพิจารณา ก, กายรย้อนมาดูธุรกิจจอมาที่กายแล้รย้อนมาดูธุรกิจสาบใดที่มันอยู่ขอบเวทนาจอมมาที่เวทนาแล้วไปย้อนมาดูธุรกิจมันเป็นการขัดมันเป็นการกลา่ามันเป็นการปลุกจิตให้ตื่นรู้อยู่นย่างนี่ยอันนี้สิงที่เราควรจับได้ จะ ต, ต้องตั้งใจทําความภาคความเพียรเอาตามหลักสัมม ป, ท า, มมปทานสัมมปทานสีไปดูในสัมมปทานสีเพราะหละักการตั้งความภาคความเพียรเพื่อเจริญมรรตามหลักอริยมรรคโยงแปแต่วิธีการก็วิธีการที่เป็นแนวหลักมหสติปัฐานสังวปรปทานปานปทานสังวรก็คือระวัง ไม่ให้อกุสสเกิดขึ้นในหัวใจของเราเอาอะไรมาระวังเอาสติสังวรเอาสมาธิสังวรเอาญาณสังวรเอาญานมาสสังรวมธรรมะระวังที่เราเห็นแน่แน่ชัดๆก็คือสติที่เราตั้งโรคขึ้มาแล้วมันสามารระวังได้สติสังวรสํงรวมกายเอาจิตสังรวม สังรวมวายจาเขาเอาจิตมาสังรวมมาให้อาตุสลนไเกิดขึ้นแทรกมาที่กายที่วยยาจาและที่ใจสำคัญที่สุดก็คือที่ใจเมื่อเรามากำกับที่ใจกายก็ไม่ต้องพูดถึงวยยาจาไม่ต้องพูดถึงมันจบไปหมดแล้วตื่นปลกุกจิตให้ตื่นสังรวมอที่จิตสํารวมที่จิตนะสํารวมมาให้บาปเกิดขึ้นที่จิต มนรวมบาปใหม่ไม่เกิดแล้วพยายามละบาปเก่าที่มีแล้วเป็นแล้วน้ํามันทะลักเข้ามาในเรือของเราเรารู้ไม้น้ําใหม่ทะลักเข้ามาน้ําเก่ามีอยู่ในนั้นเราพยายามวิทยออกวิทยออกวิทยออกวิทออกเรามาเทียบดูที่อุปมาณน้น้ําในเรือที่มัทะลักเข้าไปทับท่วมเรือนั้นน่ะสามารถหมดไปได้ แต่ถ้าเราวิดออกวิตออกวิตออกโดยที่เราไม่ไมอุดรูเก่าเราไม่อุดรูเพื่อที่จะมาให้น้ำใหม่ฉลักเข้าไปวิตยังไงมันจะหมดเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเวลาเราหยุดทําความภาคความเพียรเราก็ปล่อยจิตใจของเราล่องรอยเรื่อยเปื่อยไปดักไปชังไปโกรธไปเกลียดพยายามไม่ปิดกั้นให้ต่อเนื่องพยายามปิดกั้นไม่ต่อเนื่อง ถึงจะพยายามวิดต่อบสักเท่าไหร่ก็ตามถ้าหากเราไม่อุดรูอุดช่องไม่สั่งรวมเรามาระวังทำไมมันจะหมดไปได้อันเก่ามันก็หมดไปแอันใหม่ก็ไปแทนที่อันเก่าก็หมดไปอันใหม่ไปแทนที่อันเก่าอันหมดไป่อันใหม่ไปแทนที่มันจะหมดไปได้เร็วยังไงดูอุปมารูทะลุที่อะไรที่ขันทะลุที่คลุกทะลุที่เรือทะลุหเรารูู น้ำมันตะลักเข้าไปการที่เราตัอ้งอกตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีคุณสมบัติอันนี้ที่เกิดขึ้นในจิตของเราดูอันนี้เป็นอุปประมาสังวรประทานประานประธานเราไม่ให้ตัญหาใหม่เกิดยามละตัญหาเก่าที่มีแล้วเป็นแล้วภาวนาประธานอนุรักษนาประทาน ภาวนา้คุณธรรมเกิดขึ้นในหัวใจสมาธิธรรมปัญญาธรรมเราภาวนาเราภาคเพียงไปเท่าไหร่มันก็มีการสะสมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเราทำเรื่อยๆเนึง่งๆเจริญสมาธิเราก็ได้รับผลของสมาธิเจริญปัญญาเราก็ได้รับผลของปัญญาสิ่งที่เป็นผลเหล่านั้นเราพยายามรักษาเอาไวา้ของใหม่ก็เพิ่มเข้ามา ของใหม่ๆเพิ่มเข้ามาสติสมาธิใหม่ๆเพิ่มเข้ามาสติสมาธิเก่าเรากักษาเอาไว้มันเป็นการอนุรักษนาประทานรักษาของดีให้มีอยู่ไม่หลุดไม้หลุดมือไปพยายามเสริมสร้างทําคุณงามความดีใหม่ๆ ใ, ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้เพิ่มพูนขึ้นใน ห, หัวใจมันก็รวยได้น่ะสิที่นี่ รวยสติรวยสมาธิรวยปัญญาถ้าเราแสวงหาทรัพย์เหมือนกับว่าทรัพย์ใหม่เราก็ได้มาทรัพย์เก่าเราก็รักษาเอาไว้ทรัพย์ใหม่เราก็ได้มาทรัพย์เก่าเราก็รักษาเอาไว้ใช้ใจ่ายพอประมาณระวังไม่ให้เอาไม่ให้เอาทรัพย์ไปจ่ายไปใช้สอยในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่า จากการใช้สอยที่มีความเปลีป่ยนแปลงด้วยเหตุด้วยปัจจัยทั้งสี่ให้มันเล็ดลอดให้มันทะ ล, ลุไหลให้มันรั่วไหลออกไปเหมือนอย่างน้ําที่เป็นครุลุกซับมันก็มีหยู่ได้อันใหม่ก็เพิ่มมาเรื่นีอันเก่าก็ยังคงอยู่ถึงจะใช้ไปก็ใช้ไปอย่างมีส่วนเหลือผลรายได้เหล่านี้ ก็ย่อมมีการเพิ่มภูนทวีภูณขึ้นในหัวใจของเราการที่เราตั้งใจปฏิบัติก็ได้มรดิผลควรได้อานิสงส์ตามที่เราสวนเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดปียกไว้อหกปีหกปียกไว้ห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนยกไว้หกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนยกไว้ครึ่งเดือนครึ่งเดือนยกไว้เจ็ดวันสุกมาที่ผลว่าเราจะได้แต่บ้างเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าหมดอุปธิหมดตัญหาโดยชิ้นเชิงเราก็พ้นทุกข์พ้นโทษโดยได้พ้นทุกข์พ้นโทษโดยได้เราพยายามเจริญอย่างต่อเนื่องเราพยายามเจริญอย่างต่อเนื่อง อย่างตามที่สุดเราได้เป็นพระโสดาบันจิตใจของเราเนะี่ยเข้าถึงกระแสเขาทำเห็นอันนี้อย่างทุกครั้งนักตาเห็นสัจจะอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในหัวใจของเราเหมือนพระอัญญาโกนสัญญเห็นว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นด้วยสติด้วยปัญญาของตัวอีอย่างเจ่มแจ้งชัดเจนคือสัจธรรมปรากฏกระแส ของสังขารทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีภาวะมีอยู่นี้เป็นอยู่นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกยีตุทุกเวลาเนี่ยพระญากโคนัญญะท่านได้เห็นกระแสของสังขารมีตั้งอยู่แปรปรวน ้าสลายไปเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แปรปรวนแล้วก็แตกสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วก็แตกสลายไปจิตเข้าไปเห็นอย่างท่องแท้ชัดเจนใจปักนึกลงไปในสัจธรรมเหล่านั้นโอ้นี่กระแสของธรรมนี่กระแสของภาวะความเป็นไปของสังขารเห็นความจริงปรากฏเต็มแปรในหัวนใจ จิตเลยผ่อนเลยคลายจากการยึดติดจากการยึดติดในอัดยึดติดในอัตตาในตัวในตในตนี่เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นว่าไม่ใช่อัดตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นสักแค่ว่าสิ่งไดสิ่งหนึ่งเห็นสักแต่ว่าเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏขึ้นเกี่ยวข้องกันแล้วก็สลายไปเปลี่ยนไปตั้งอยู่ปรากฏขึ้น ผูกพันก <click> <t stars> ันเกี่ยวข้องกันแล้วก็สลายไปนี่อยู่นี้เป็นอยู่นี้ยึดอะไรก็ไม่ได้สักอย่างยึดอะไรก็ไม่ได้สักอย่างธรรมะอยู่ในขั้นนี้ธรรมะอยู่ในขั้นนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเห็นความทุกข์เปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่ถ้าเห็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงชัดเจนงุ่นงถึงธรรมที่สูงที่สุดบรทุกบนโทษไปในวัฏฏสงสารได้เลย เป็นพระอรหารหมดอุปธิภิถ้าหากยังไม่ถึงกับหมดอุปธิภิถูงสุดเป็นพระอนาคามีอนาคามีไม่ต้องกลับมากเกิดต่ำสุดเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ก็ทำภพชาติให้สั้นนะเด็กก็ปีชีไปเกิดอีกไปเกิดอีกพืชเดียวไปเกิดกชาติเดียวโคลังโกละโคลังโกละ สองชาติสามชาติมันก็จะประกูลไปสู่ตระกูลจากตระกูลไปสู่ตระกูลโกหลังโกละาสองปีสมปีอย่างช้าไม่เกินเจดปีสัตตะขัตตุประมะอย่างสูงไม่เกินเจ็ดปีนี่คือกระแสความธรรมที่จะฝึกฝนในหัวใจของเราเราเอาหลักธรรมะในมหาสิบฐานไปพิจรารณาพิจารณาตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนี่แหละ ให้จิตตั้งมั่นมีสติกำลังจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตได้รับความสงบมีกเปนเรื่องของสมถะเราแยกที่เฉยเราแยกมาพูดว่าสมถะวิปัสสนาเวลามาเกิดเมื่อก เ, กกเกิดที่จิตเราดวงเดียววิปัสสนาก็เกิดเมื่อเกิดที่จิตเราดวงเดียววิปัสสนาก็คือพิจารณากิริยาอาการยักย้ายผันแปร ของรูปธรรมของนามธรรมพิจารอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของที่ปรินาทำให้เรารู้แจ้งในขณะนั้นมีอยู่นี้เป็นอยู่นี้มันเปลี่ยนไปอย่างนี้รู้นี้มันมีมันเปลี่ยนไปอย่างนี้รู้นี้การที่เร ah าพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปการพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาแบบนั้นไม่ใช่ฐานเดียวมันมันหลายฐานฐานกายด้วยฐานจิต ด, ด้วย ฐานเวทนาด้วยฐานจิตด้วยพิาจารณาตะล่ำกไปตะล่ำกระไปตะลกรไปอันนี้เป็นอารมณ์ของพิจศนณาเป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดที่ใจของเรานี่แหละเอาใจดวงนี้แหละพิจ า, ารณาหากเรามาแยกกันพูดเฉยแต่เราขี้เกียจดูยกย้ายฝันแปรก็กำหนดให้อยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทพโธ ความสงบเป็นเรื่องของสมถะบทที่เราสวดทั้งหมดนี้เจริญบางอย่างทําให้เราได้สมถะเจริญยักย้ายขันแปลดูกิริย า, าการของมันสลับเปลี่ยนไปเรื่อยทําให้เราได้ปิปัุนาเี่ยในหลักที่ท่านพาเราสวดเนี่ยบทมายปฏิปทานเนี่ยไปด้วยข้อใจไปดูคัาแปรข้าใจ ท่องบทบาลีให้ขึ้นใจทั้งหมดนี้เราเจริญได้อะไรที่มันทำให้เข้ากับจิต้ิสัยของเราได้ดีเราก็จับบทนั้นไม่ใช่ว่ า, าจะต้องเจริญทั้งวันนี้อันนี้เราสวดเราสวดเพื่อทรงเอาไว้แต่เวลาเราทำจริงๆเราไม่ต้องเจริญมากมายถึงขนาดนี้ บางคนถนัดเกี่ยวกับโดยจิตเขากำลังจับ จ, จ่อยืนก็จ้องมาที่จิตเดินก็จ้องมาที่จิตจิตมันกระดิกกระดิแแ ป, ล, ป, ล, ป ล, ลงไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมันอยู่ในใสายหูใสายตาของเราเอาอะไรมาจ้องเอาจิตประกอบด้วยสติด้วยสัมปัสจัญทรยักตั้งโโรขึ้นมาย้อนย้อนได้ไหมลองย้อนมาดูสิย้อนมาดูจิตของตัวเองลองย้อนมาดูดูได้ไหมเราทําความรู้สึกมาที่กาย ย้อนมาสํารวจตรวจตราที่จิตย้อนความรู้สึกมาที่เวทนาสารวจตรวจตรามาที่จิตหรือจะย่างเข้าไปที่กายที่เวทนาแล้วที่จิตที่จิตที่เวทนาแล้ที่กายที่กายที่เวทนาแล้วทจิตที่จิตที่กายที่เวทนาที่เวทนาที่กายที่จิตย้อนเข้าไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปมันเป็นการขับเชี่ยวหมุนโดยความภาคความเพียน หมุนด้วยสังวรประทานประธานประานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานประธานทั้งสี่เราเจริญอย่างเดียวมันก็ทั่วถึงกันหมดมาจีประทานทั้งหมดนี้เราเจริญบทใดบทหนึ่งก็ทวดทั่วถึงกันหมดทําไมจึงทั่วถึงกันหมดเพราะเราเจริญที่จิตดวงเดียวจิตดวงเดียวรู้เท่าเท่าจิตดวงเดียวจิตตัวเดิมเจริญบทไหน มันก็มีภาวะแบบนี้สงบด้วยวิจิตดวงนี้สงบดนความรับความรอบรู้คือจิตดวงนี้ได้รับความรอบรู้แล้วก็มันจะไปแตกต่างอะไรกับคิดดวงเดียวนี้ขอให้เราสะดกสบายกับอารมณ์ใดกับบดใดเราก็จับอารมณ์นั้นปวดนั้นให้เกิดในตั้งแต่พิจารณาอย่าเห็นเป็นของเล็กน้อยอย่ามองเห็นความสําคัญเรื่องอย่างอื่นดีดีวิเศษวิโสเลิศเลอกว่าจนเหลือเจ้างจนลืมหน้าลืมตัว ทอดทิ้งความพยายามอทอดทิ้การกําหนดจดจบพิจารณาดูให้เกิดประโยชน์ที่หัวใจของเราหนักหนักเข้าปล่อยหนักหนักเข้าทิ้งอยู่แบบไม่มีประโยชน์โศกจิตคนไหน้นเกิดขึน้นในหัวใจของเราวันคืนล่วงไปมันก็เปล่าประโยชน์ไปตั้งใจจะขึ้นสู่ที่สูงตั้งใ จ, จะตั้งตอนภาวนาจิตของเราได้รับความดีความดีพิเศษสุด วิเศษวิโสแต่แล้วเราก็ท้อถอยเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนใจเละตุ้มเป๊ะเจับไม่อยู่เหลวไหลไม่เป็นก้อนไม่เป็นแท่งไม่พอละจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพจิตใจหลอกแหละเหลวไหลเหลวแล้วก็ไหลดูีิน้ําแข็งนะเราไปจั บ, จบถ้าก้อนอะจับเพราะมันไหลเพราะมันกลายมาเป็นของเหลวแล้วมันก็ไหลไหลชิ้ ห, หมด เหลวไหลเหลวไหลความประพฤติเหลวไหลเฤ็นที่ตั้งใจเหลวเหลวไหลไหลผลรายได้ก็คือเหลวเหลวไหลๆนั่นแหละมันไม่พอยจะอะไอะไรหวังสารพัดที่จะพึงเกิดขึ้นหัวใจหวังนู้นหวังนี่หวังอะไรม่รู้หวังลอยลอยลมลมแรงแรงไม่มีอะไรจะคื้นเกิดขึ้นหัวใจสิ่งที่จะพึงตั้งอกตั้งใจทําเอาไม่ตั้งใจเอา จะตั้งความภาคความเพี่ยนกำหมด จ, จุดเจาอจะดูจะท่องจะสูตรจะอะไรแต่ละก็ยังไม่สนใจจะดูไม่มีกระิกกระใจไม่เคยย้อนจะดูอะไรมันครอบคลุมหัวใจอยู่ดำปุ๊ดดำปื้ออยู่นั่นน่ะบางทีมันดำซะจนยี่กว่าหลังมีอีกนะหลังแกะอีกนะหลังแพะหลังแกะแกะดำมามันจะมีอะไรไปเปื้อน จะรู้ได้ยังไงนี่มีอะไรเพื่อนไม่ไม่มีมีอะไรไปเพื่อนทมันจะรู้อะไรได้เพราะเราไม่เคยสนใจเราไม่เคยใส่ใจใครจะมีโอกาสดีใครจะมีมูลวาสนาเท่ากับเรา ไ, ได้ยินได้ฟังได้ตั้งใจฝึกฝนออกรอกไม่มีเพราะฉะนั้นยังไปหวังหวังในโลกหวังลมๆแรงๆหวังนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ทอดทิ้งสิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจว่าจะเอา ทีนเราตั้งใจว่าจะทำแล้วก็ทอดแล้วก็ทิ้งหน่อยหนึ่งแล้วก็อยู่แบบเปลือยเปล่าจิตใจไม่มีอะไรมากากับดูแลเลยมันหมุนกลับมันหมุนกลับอะไรที่เคยอมแปรอ ย, อยู่บ้างแล้วมันก็คายทิ้งหมดศรัทธาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนา ที่พอจะมีติดค้างอยู่ในหัวใจอยู่บ้างมันก็คายทิ้งหมดคายทิ้งหมดอุบายันแยบคายตั้งาในหัวใจอุบายมันแยกคายถ้าเราทอทิ้งกิริยาการการทั้ง อ, อกทั้งใจบันเป็นเพียนเหล่านี้จะไน้อะไรเปล่เาเปล่ปามือเปล่าเปล่าวันคืนล่วงไปเปล่าเปล่าดีไม่ดีทั้งขาดทุนทั้งสูญดอก เพราะถ้ากิจมันไม่หมุนไปในทางสิดีแล้วมันจะหมุนไปในทางที่เลวที่แคมันอยู่เท่าเดิมอยู่คงที่จะไม่อยู่นี่พิจารณาดีเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินฟังแล้วพอไปพิจิตรใฉไใครครวนถือตามขับติดตามปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแห่งตนแห่งตนอ้าวเอวัง